บทที่สี่บทบาทที่ขัดขวางต่อพัฒนาการกระบอบประชาธิปไตยผ่านเครือข่ายราะชุมชนนจากคุมหลังทางการเมืองที่เจ็บปวดและความยาวนานกว่า60สิบปีในการคลองอํานาจของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าได้เกิดการบริหารจัดการทางอํานาจผ่านผู้มีบา ร, รมีนอกรัฐมนูญจนสถาบันพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่อาจเติบโตเข้มแข็งขึ้นทําการบริหารจัดการลัำสมัยใหม่เพื่อแข่งขันในสงครามเศรษฐกิจแห่งโลกยุคโลกาภิวาตาัตน์ได้ สร้งเครือข่ายราชสำนักเพื่อบริหารจัดการรัฐเมื่ออำนาจของราชสำนักได้เริ่มตั้งมั่นในยุค ข, ของจอมพลถนัดชนะรัฐแล้วราชสำนักก็ได้เปลี่ยนฐานะจากฝ่ายรัฐเป็นฝ่ายลุกในทางการเมืองหรือเปลี่ยนจากด้านรองกลายเป็นด้านหลักของคู่ขัดแย้งทางการเมืองและนักตั้งแต่ น, นั้นมาบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยจึงไม่ใช่บทบาทในระบอบ ก, การปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอีกต่อไปหากจะเป็นบทบาทในระบอบ ก, การปกครองใหม่ที่เรียกว่า ระบบสมบูรณาญาสิทธิ์ล่าชุดใหม่ราชสัมนักได้แสดงบทบาททางการเมืองที่เป็นด้านหลักในการควบคุมกลไกของระบบการเมืองเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมโดยผ่านกลไกต่างๆที่ถูกจัดสร้างขึ้นอย่างแนบเนียนที่เรียกว่าเครือข่ายราชสัมนักหรือเครือข่ายกษัตริย์เน็ตเวิร์กโมนาร์กีโดยมีคณะองคมนตรีเป็นศูนย์กลางในการบริหารเครือข่ายอำนาจด้วยวิธีการถ่ายอำนาจเชิงสัญลักษณ์ของราชสัมนัก ไปสู่บุคคลที่มีสถานภาพสูงทางสังคมการเมืองและรับใช้ใกล้ชิดเบื้องยุคโคลบาดโดยํำกล่าวแสดงเจตนาของบุคคล น, นั้นจะถูกสังคมตีความเป็นเสมือนความต้องการขององค์พระมหากษัตริย์ซึ่งบุคคลลนนักษณะนี้สังคมได้เรียกขานด้วยถ้อยคำที่สั้นกระทัดรัดและสแสดงคุณลักษณะได้คบช่วนว่าผู้มีบรารมีนอกรัฐมนูญในช่วงระยะเวลาห้าทศวรรษ เครือข่ายราชสานักได้ขยายตัวครอบงาไปทุกวงการของสังคมไทยนับตั้งแต่วงการทหารตำรวจข้าราชการสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนแม้กระทั่งขบวนการ NGO องค์กรพัฒนาภาคเอกชนโดยทุกวงการจะมีแกนนําที่ได้รับคำหากรวงน่าที่คุณให้เข้าเฝ้าใกล้ชิดในฐานะเป็นคนไทยตัวอย่างและหลายคนได้รับการยกย่องจากสื่อมวลชนที่ทําหน้าที่เสมือนเป็นกระบอกเสียงของเครือข่ายราชสานักว่าเป็นนักชิด แนวพระราชดำริที่ประชาชนควรจะเชื่อฟังและถือเป็นแบบอย่างเช่นพลเอกธรยุท ธ, ธ์สิานนท์นายแพทย์ประเวศวระสีนายสุเมศตันติเะชกุลเป็นต้นจนกระทั่งบุคคลเหล่านี้เป็นเสมือนหนึ่งเงาแห่งพระองค์ที่คนในสังคมจะติเสียนวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้แต่ในด้านกลับกันบุคคลเหล่านี้กลับกลายเป็นกลุ่มผู้มีอำนาจทางสังคมที่คอยตาหนิติเสียนผู้อื่นในสังคมนี้ โดยเฉพาะการตั้หนีฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนลักษณะของบุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลผู้สูงอายุและมีลักษณะเกาะกลุ่มกันทันความคิดในฐานะเป็นผู้หวังดีต่อบ้านเมืองจึงทําให้ผู้มีบา ร, รมีนอก ร, รัฐมนูญที่ถูกขนานนำขึ้นนั้นเกิดภาพเชิงสั ญ, ญลักษณ์เป็นสถาบันผู้มีพระบารมีนอก ร, รัฐมนูญของสังคมไทยการแสดงบทบาทของเครือข่ายและสํานักในการโค่นล้มอำ น, นาจของรัฐบาลใ น, ลนรัชกาลปัจจุบัน ได้ตั้งมั่นมากว่า5าา้าทศวรรษแล้วนี้เป็นข้อมูลที่ดำมืดไม่อาจจะเปิดเผยได้คนไทยจึงเห็นแต่เหตุการณ์ล่มสลายของรัฐบาลต่างๆโดยเหตุผลที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดโดยมองไม่เห็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างที่รัชสมนัตเป็นตัวจับสําคัญทําให้การเรียนรู้ทางการเมืองถูกจํากัดข้อมูลและทฤษฎีการวิเคราะห์ดังนั้นนักละศาสตรและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของไทยจึงกลายเป็นผู้ด้อยปัญญาโดยถูกครอบงาทางวัฒนธรรมด้วยวัฒกรรมว่าพราะองค์ทรงอยู่เหนือการเมือง และการและทั้งการคิดและการกล่าวถึงพระ อ, องค์เป็นสิ่งต้องห้ามทางกฎหมายและทางวัฒนธรรมแต่แล้วทฤษฎีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ก็ได้ทําหน้าที่ของมันกรณีวิากฤตการการเมืองไทยเริ่มจากการค้นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยที่ประชาชนพึงพอใจและเห็นประโยชน์ของนโยบายที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมคือรัฐบาลทันตํำรวจโททัศน์สิงเมื่อ19กันยายน2549และขยายสู่กัน ก่อจลาจลและกลุ่มพันธมิตรล้มรัฐบาลจากการเลือกตั้งติดต่อกันอีกสองรัฐบาลคือรัฐบาลนายสมัครและนายสมชายอย่างไร้เหตุผลและติดตามมาด้วยการเปิดเผยข้อมูลลับของทักษิณที่เปิดบงเครืองขรายและสำนักได้แก่พลเอก เ, เอกรมพลเอกกลยุทธองคมนตรีมอมหลวงปีมาลากุลที่มีการร่วมประชุมลับกัน คนล้มรัฐบาลทักษิณกับประธานศาลฎีกาและประธานฐานปกครองสูงสุดโดยเป็นผลจากพระราช ด, ดำรัสของพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่25เมษายน2549 25ที่ส่งสัญญาณความไม่พอใจต่อรัฐบาลของพันตารวจโททักษิณชินวัตรรายละเอียดเครือข่ายสำนักคือขายราชสำนะักนะจึงเป็นตัวจับสําคัญของการกําหนดทิศทางทางการเมืองไทยบทบาทของวังในสายตาต่างประเทศ โดยการเป็นถมห า, ากษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในโลกนั้นย่อมเป็นธรรมดาที่จะมีคนสนใจทั้งที่ชื่นชมและวิาพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะนักวิชาการและผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่จะเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางอำนาจว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้สามารถครองราชได้ยาวนานนายดันเช่นมิทคาร์โกศาสต ร, ราจารย์ด้านการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยลิได้ทําการศึกษาวิจัยและตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ The p ส c ท f i c r e v i e วิวเมื่อ4ธันวาคม2555โดยมีข้อความสำคัญตอนหนึ่งว่าลักษณะสำคัญของเครือข่ายจัดกรษรัตดิไทยตั้งแต่ปี2523ถึง2544ก็คือกษัตริ์เป็นผู้ชี้ขาดสูงสุดในการตัดสินใจทางการทางการเมืองเวลาเกิดวิกฤตและการที่กษัตริ์เป็นต้นกำเนิดหลักของความชอบธรรมของชาติกษัตริ์ทำตัวเป็นผู้ออกความคิดเห็นและชอบสั่งสอนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของชาติ และช่วยกำหนดวาละแห่งชาติผ่านพระราชดำรัสวันเฉลิมพระชนพรรษาทุกปีกษัตริแทรกแทงการพัฒนาทางการเมืองอย่างกระตือรือร้นโดยส่วนมากจะผ่านตัวแทนตัวแทนของพระองค์เช่นองค์มนตรีและนายทหารที่ได้รับความไว้วางใจโดยมีอดีตผู้บัญชาการทหารบกและอดีตนายเกเฟรมจินทรานนท์เป็นหัวหน้าของเหล่าตัวแทนคอยช่วยกำหนดลักษณะของรัฐบาลผสมและคอยตรวจสอบการดำเนินการทางการทหารในการโยกย้ายต่างๆ ระบบการปกครองแบบเครือข่ายนี้ต้องพึ่งพาการจัดประชาชนที่เหมาะสมโดยเฉพาะคนที่เหมาะสมไว้ในงานที่เหมาะสมซึ่งการจัดสรรตำแหน่งนี้เป็นบทบาทหลักของเฟรมโดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤตทางการเมืองป25ี 2549-2551 ที่มีกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยภายใต้การนำของนายสนธิริมทองคุลที่เริ่มออกมาเคลื่อนไหวขับลุกขับไล่พันตำรวจโททักษิณชินวัตร นายกและมินทีจนเกิดการชฉวยโอกาสกระทำการรัฐประหารโดยทหารกลุ่มหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าคณะปฏิรูป ก, การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุคขคอปคอร์และภายหลังจากการเลือกตั้งเมื่อ23ธันวาคม2550แล้วกลุ่มพันธมิตรยังก่อเหตุความวุ่นวายต่อเนื่องเพื่อขับไล่รัฐบาลของนายสมัครจุลทลเวสและรัฐบาลของนายสมชายวงศสวร์จนถึงขั้นเป็นเหตุจลาจลให้ยึดทำเนียบรัฐบาล และปิดสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองอย่างอุดอุก อ, อาจโดยทหารและตำรวจไม่กล้าใช้อำ น, นาจดำเนินการปราบปรามหรือยับยั้งขัดขวางจนเป็นที่กล่าวขานกันทั่วไปทั้งบ้านทั้งเมืองว่าเป็นม็อบเส้นใหญ่โดยเชื่อมโย ง, งการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรว่าได้รับการสนับสนุนจากราสม น, นักนั้นจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชนในต่างประเทศ ยังเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่กระทําผิดกฎหมายอย่างอุกอาจนั้นเป็นการกระทําของราชสรรนักที่ไม่พอใจต่อตัวทันตำรวจโททักษิณชนวัตรนายกมนตรีโดยการขับเคลื่อนของคนเอกเฟรมเจินนทร์สุรานนท์ประธานองคมนตรีที่แสดงตัวเด่นชัดในสังคมว่าเป็นตัวแทนของราชสรรนักหรือผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญเช่นบทวิจารณ์ของนิตยสาร The Economist ฉบับลงวันที่4ธันวาคม2008โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่า After the 2006 coup, the 15th in Bhumibol's reign, officials tried to tell foreigners that protocol obliged the king to accept the general seizure of power. Thais got the opposite message. The king quickly granted the c o o p makers an audience. The newspapers flashed pictures of it, sending t h e i s the message that he approved of them. In truth, the king has always been capable of showing his displeasure at coups when it suited him by rallying troops or by dragging his feet in accepting their outcome. And he exerts power in other ways. Since 2006, when he told judges to take action on the political crisis, the court s e e m d to have interpreted his wishes by pushing through cases against Mr. Thaksin and his allies. Most recently, with t h i s week's banning of the parties in the government. หลังจากเกิดเหตุการณ์การรัฐประหารใน42549ซึ่งเป็นครั้งที่15ในรัชสมัยของกษัตริย์ภูมิพล เจ้าหน้าที่ทางการของไทยพยายามที่จะบอกชาวต่างชาติว่ารัฐพิธีบิดบังคับให้กษัตริย์ต้องยอมรับการยึดอํานาจของนายทหารในกองทัพในขณะที่คนไทยถูกบอกอีกอย่างหนึ่งว่ากษัตริย์ได้พระราชาทานพระบรมราชานุ ญ, ญาตให้คณะผู้ก่อการรัฐประหารเข้าเฝ้าและหนันงสือพิมพ์ต่างๆได้ตีพิมพ์ภาพดังกล่าวในหน้าหนึ่งสเสมือนเป็นการบอกว่ากษัตริย์ได้ให้การยอมรับกับการยึดอํานาจดังกล่าว ในความเป็นจริงแล้วกษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจที่จะแสดงออกว่าทรงไม่เป็นที่พอพระราชฤาษีไทยต่อการยึอดอำนาจหากทรงเห็นเช่นนั้นโดยการสั่งการให้กําลังทหารภายใต้พระองค์ออกมาต่อสู้หรือแม้แต่การที่จะเลือกทรงนิ่งเฉยไม่ยอมรับผลดังกล่าวได้แต่การทรงรับทรงกับเลือกที่จะใช้พระราชอำนาจในอีกทางหนึ่งแทนตั้งแต่ปีพศ2549ซึ่งได้ทรงมีพระราชดำรัส ต่อบรรดาผู้พิาพากษาให้ดําเนินการจัดการกับวิกฤตการเมืองวิกฤตการทางการเมืองนั้นบรรดาศาลดูเหมือนจะได้แปลพระราธประสงค์ออกมาโดยการเร่งดําเนินการกับคดีต่างๆต่อตัวอดีตนายกมนตรีทัดสินชินวัฒนและเครือข่ายของเขาโดยล่าสุดโดยการตัดสินยุบพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลทั้งสามพรรคลงจากหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอาซาฮีซินบุน ฉบับประจำวันที่19ธันวาคม2008ก็ได้แสดงความกังวลใจต่อการเข้ามายุ่งเกี่ยวทางการเมืองของชาบัพระมศากาศัตร์และเป็นห่วงเป็นใ ย, ยต่อความมั่นคงของนักธุรกิจญี่ปุ่นที่ลงทุนในประเทศไทยอย่างกรณีที่หากเกิดการผัดเปลี่ยนแผ่นดินในหัวเรื่องถือญี่ปุ่นออกโรงเตือนไทยและนายอภิษฎนในอภิษฎดังความตอนหนึ่งว่า The week-long siege of Bangkok's two airports from late November by the a n t i t o x i n People's Alliance for Democracy (PAD) stranded many foreign tourists, including Japanese and affected foreign companies operating in Thailand. There are also concerns about the health of King Bhumibol Adulyadej, who has been playing a vital role in keeping the country together. The monarch turned 81 on December 5th. But did not give his customary pre-birthday address to the nation this year. Unless the Thai government is able to regain its trust at home and abroad and reassure everyone, Japanese business in Thailand will have to re-examine their long-term strategies. The Japanese government u g h to convey this concern to Abhisit. i The government and the people of Thailand also need to engage in open debate on the role of the monarchy i n politics to ensure the establishment of the democracy over the long term. The guys cannot secure political stability if they keep relying on the king to intervene in a time of crisis. Credit. Credit. Credit. Credit. Credit. Credit. Credit. Credit. มโ e กโดย r ฉพาะหลัง i าร r e d i น c r e d นในกรุง t ท r e d i t Credit. c r นเมื่อ e d i t Credit. Credit. Credit. Credit. Credit. c r e ต i t Credit. Credit. Credit. Credit. Credit. Credit. Credit. ก r e d i t c r e d i ่ Credit. Credit. Credit. c ท e d i t Credit. c r และการเกิดผลก็ทบตอบบริษัทการชาติที่ดําเนินการอยู่ในประเทศไทยด้วยความกังวลที่มีต่อสุขภาพของกษัตริย์คูมิพคนาดุญเดชซึ่งมีบทบาทในการดูแลประเทศชาติซึ่งจะมีอายุใกล้ครบ80ปีในวันที่5ธันวาคม น, นี้แต่ในปีนี้ไม่มีการออกมาพูดกับชนคนในชาติก่อนวันเกิดรัฐบาลไทยจะต้องทํางานเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศธุรกิจของชาวญี่ปุ่นในไทยจะต้องทบทวนยุทธศาสตร์ระยะยาวใหม่ รัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องสื่อสารไปยังนายอภิษณ์นอภิษเสร็จถึงเรื่องดังกล่าวนี้ให้รัฐบาลและประชาชนชาวไทยมีส่วนร่วมในการเปิดเวทีถก ป, ปัญหาเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการเมืองเพื่อที่จะเป็นการสร้างพื้นฐานประชาธิปไตยในระยะยาวประชาชนไทยจะต้องไม่แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเสื่อาพทางการเมืองเพียงการพึ่งพิงพระมหากษัตริย์ในการแทรกแซงเมื่อเกิดวิกฤต ความเห็นของนักวิชาการต่างประเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ในต่างประเทศที่นํามาตีพิมพ์นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากจานวนมากที่แสดงความเห็นเจาะลึกอย่างตรงไปตรงมาที่สื่อไทยและคนไทยไม่อาจจะรู้ความเป็นจริงเหล่านี้ได้ด้วยอํานาจเผด็จการทางกฎหมายและอํานาจเผด็จการทางวัฒนธรรมของราชสํานักลูกประทับอันน่าสงสัยจากขนมถึงทัดสินนับตั้งแต่สิ้นรัฐบาลจอมพลสฤลดิธรรนรั์ การพังทลายของรัฐบาลในหลายรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลที่มีลักษณะมองบอกว่ามีความเข้มแข็งและมั่นคงส่วนแล้วแต่ต้องพังทลายลงทุกรัฐบาลไปด้วยข้อกล่าวหาทางการเมืองที่คล้ายคลึงกันคือไม่จงรักภักดีบางก็ถูกขับไล่โดยพลังมวลชนบางก็ถูกขับไล่โดยการรัฐประหารไม่เว้นแม้แต่คพลเอกเกรมจินสุรานนท์เมื่อครั้งดำรงตําแหน่งคู่นํารัฐบาลที่มีความเข้มแข็ง และของอำนาจยาวนานถึง8ปีจะต้องมีอันเป็นไปในลักษณะคล้ายๆกันจนสามารถสรุปได้ว่าในช่วงนั้นตั้งแต่ปี2506ถึง2551ซึ่งประวัติศิฝาดได้เริ่มเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยที่ภาคพ ล, เ, ลเรือนเ็่มมีบทบาทมากขึ้นนั้นประเทศไทยก็ยังไม่อาจมีรัฐบาลที่มีศัลยภาพได้และแม้ล่าสุดวิวัฒนาการของระบบพัการเมืองไทย ได้พัฒนาสูงขึ้นจนถึงขั้นเกิดระบบพรรคการเมืองที่เข้มแข็งจนทําให้การเมืองไทยเกิดเสถียรภาพด้วยการสามารถจัดตั้งรัฐบาลด้วยพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวคือพรรคไทยรัฐไทยโดยการนําของพันตํารวจโททักษิณชินวัตรในช่วงเวลา 2544-2549 และมีความมีเสถียรภาพของรัฐบาลประชาธิปไตยก็ได้ส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่ตกค้างมาตั้งแต่ปี2540และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีมากขึ้น กาแต่ก่อนในระดับหนึ่งด้วยนโยบายสาธารณสุขที่ก้าวหน้าตามโครงการ30บาทรักษาทุกโรคและนโยบายพัฒนาเศษษษษษรษฐกิจราดญ่าตามโครงสร้างหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัรรณฑ์โอท็เป็นต้นจนเป็นที่ถูกการต้องใจของประชาชนส่วนข้างส่วนข้างมากรัฐบาลจากระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพเช่นรัฐบาลทักษิณ น, นี้ก็ยังไม่อาจจะดำรงอยู่ได้ ทั้งทั้งที่ผลงานและมีคุณภาพมากกว่ารัฐบาลก่อนแต่กลับมีอายุสั้นกว่ารัฐบาลก่อนๆที่ด้อยคุณภาพกว่าเสียอีกโดยรัฐบาลทัศนินได้จบบทบาทลงด้วยการยึดอำนาจของฝ่ายทหารในข้อหาเดียวกันว่าไม่จงรักภักดีอีกเช่นเดียวกันจากภาวะความไร้เสียงร่าพาของรัฐบาลที่ไม่ว่าจะมาจากระบบเด็จการทหารระบบประชาธิไปไตยครึ่งใบหรือเต็มใบ ดังที่กล่าวมาทั้งหมดเหล่านี้ทําให้เกิดข้อกังขาในทางวิชาการว่าการพันทลายของรัฐบาลจนไม่อาจจะมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้เลยนี้เป็นผลมาจากนะักการเมืองไทยเลวหรืออํานาจนอกระบบการเมืองไทยเลวกันแน่ถ้าปัญหาความไม่มั่นคงของระบอบประชาธิปไตยของไทยมีสาเหตุหลักมาจากอํานาจนอกระบบก็จะต้องมีคำถามต่อไปว่าอํานาจนอกระบบนั้นคือใครอํานาจนอกระบบคือปัจจัยหลักทําลายประชาธิปไตย มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงจากนักวิชาการในมหาวิทยาลัยจากสื่อบนลชนและผู้นำทางความคิดของสังคมที่มีแนวคิดสัจดีนาสวามิภักโดยได้ประสานเสียงโฆษณามอมเมาชาชนว่าระบอบประชาธิปไตยของไทยที่ไม่อาจจะดำเนินไปได้เหมือนต่างประเทศนั้นเกิดจากความเลวไร้รของนักการเมืองไทย คำกล่าวเหล่านี้เป็นการโกหกของพวกนักวิชาการจอมตลบตะแล ง, ลงโดยแท้จริงแล้วพวกเขานอกจากขยี้ขาดไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์อำนาจนอกระบบแล้วพวกเขายังเกาะกลุ่มหาประโยชน์ทางการเมืองกับอำนาจนอกระบบหรืออำนาจเผด็จการอีกด้วยแต่ทุกครั้งที่อำนาจนอกระบบใช้กำลังทหารเข้ายึดอำนาจล้มรัฐบาลพวกเขาก็จะออกมาให้เหตุผลความถูกต้องของการยึดอำนาจและเข้ามาเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกสภาวิสิส บ, บัญญัติโดยการแต่งตั้งของอำนาจนอกระบบ กันเป็นทีมแถวหากเราจะเปรียบเทียบคุณภาพของนักการเมืองไทยกับนักการเมืองรรต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งถือได้ว่ามีวัฒนธรรมและพัฒนาการใกล้เคยียงกันแล้วก็จะเห็นได้ว่าวาระกรรมของพวกศักดินาสวามิภักด์นั้นเป็นการโกหกที่ต่อเนื่องมายาวนานและใช้อำ น, นาจเผด็จการทางกฎหมายและอำ น, นาจเผด็จการทางวัฒนธรรมมาครอบงำความคิดของประชาชนไม่ให้กล้ามองทะลุผ่านมา่านประเพณีว่าแท้จริงความเลวร้ายของระบบการเมืองไทยวันนี้ อยู่ที่อำนาจนอกระบบที่ไม่ยอมรับระบอบประชาธิปไตยก่า็คือคุณภาพของนักการเมืองนั้นเราสามารถดูได้จากตัวชี้วัดก็คือดูจากคุณภาพของประชาชนซึ่งประชาชนในประเทศไทยก็มีคุณภาพทางการศึกษาในอัตราส่วนใกล้เคียงกันกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเช่นสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์เหมือนกันหรืออาจจะสูงกว่าอีกหลายประเทศด้ฟัาไป แทำไมประเทศเพื่อนบ้านของเราจึงสามารถปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยกันได้ต่อเนื่องยาวนานจนทำให้ประเทศของเขามีความเจริญรุ่งเรืองได้